เมื่อวานญาติโยมหนีวันเสาร์อาทิตย์มากันวันศุกร์เต็มป่องเมื่อวานพอเช้าขึ้นมารถก็เข้ามาเต้แลนะ้หีหนีเสาร์อาทิตย์คือตอนนี้คนญาติโยมเยอะเยอขึ้นเรื่อยๆนะหลวงพ่อไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงไม่เหมือนรุ่นก่อนก่อน ก่อนวันหนึ่งมีไม่กี่คนสองสามคนห้าคนสิบคนอะไรเงี้ยสามสิบคนก็ว่าเยอะนะที่สนใจกันมากขึ้นมากขึ้นก็ดนะีเป็นประโยชน์กับตัวเราเองศา ส, สนาเป็นสิ่งมีประโยชน์ศนาะ ส, สนาพุทธเนะี่ยเป็นศาสตร์แห่งความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเลยเป็นศาสตร์ที่ผู้ใดศึกษาแจ่มแจ้งนะพ้นทุกข์แล้วก็พบความสุขอย่างมหาศาลเลย เรอุตสาหเรียนวิชาการต่างๆทางโลกนะก็หวังจะหาความสุขนั่นแหละอุตสาห์ทํามาหากินอุศาสต ร, รม์มีครอบครัวมีโน้นมีนี่ขึ้นมาแย่งชิงกันแย่งตําแหน่งแย่งอะไรแย่งอํานาจแย่งผลประโยชน์ลึกๆลงไปก็คืออยากจะมีความสุขนั่นแหละคิดว่าถ้าได้สิ่งนี้มาแล้วจะมีความสุขจะได้สิ่งนี้แล้วจะมีความสุข แต่มันเป็นความสุขอ้อมๆความสุขที่อาศัยสิ่งอื่นเช่นต้องมีชื่อเสียงถึงจะมีความสุขวันไหนเสียชื่อเสียงก็ไม่มีความสุขแล้วต้องโอ น, น้นต้องอย่างนี้แต่ศาสน า, าพุทธนะเป็นศาสตร์ที่สอนให้เราค้นพบความสุขในตัวเราเองเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเป็นความสุขที่ไม่อิงอาศัยอะไรเพราะฉะนั้นไม่ว่าโลกข้างนอกจะแปรปรวนขนาดไหนนะ เราก็มีความสุขอยู่อย่างนั้นแหละคนที่เรารักมากมา ก, มากตายไปเราก็ยังมีความสุขอยู่เกิดอะไรขึน้นมันก็ยังมีความสุขอยู่ได้มันเป็นศาสตร์ของความสุขที่น่าเรียนเราเรียนวิชาทางโลกแนละ้วก็เรียนกันหลายปีอย่างกว่าจะเป็นหมอคนหนึ่งใช่ไหมเรียนวิชาแพทย์ก็หลายปีแต่ก่อนจะไปเอ็นทรานได้ เรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมเลชั้นมัธยมเ่ยรวมเข้าไปอีกสิบสองปีอย่างน้อยรวมแล้วก็คือเราเรียนหนังสือทีหนึ่งทีสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดปีอะไรอย่างงี้หวังว่าจะมีความสุขทำไมทนเรียนไปได้เพราะคนอื่น้องก็เรียนเวลาปฏิบัติธรรมเนาดเดือนสองเดือนอยากจบหลักสูตรแล้วใจร้อนไปหน่อย อย่าใจร้อนค่อยๆเรียนไปครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยส่วนมากท่านเรียนกันสิบหกปีถึงจะจบหลักสูตรมีเรียนส6บกปีเนี่ยหลายองค์เยอะประเภท 3, สามพรษาอะไรเงี้ย 3, 4, สามสี่รรษามีมีเหมือนกันแต่ไม่มากนะนี้พวกเราก็อย่าใจร้อนเรียนธรรมะค่อยๆเรียนไป ยิ่งใจร้อนยิ่งอยากได้ผลเร็วๆนะี้ยิ่งไม่ได้เพระทันทีที่ความอยากเกิดเนื้ออกุศลมันเกิดเรียบร้อยแล้วสติไม่มีหรอกการเรียนกรรมฐานอย่าใจร้อนในขณะเดียวกันก็ไม่ขี้เกียจไม่ขี้เกียจไม่ใจร้อนก้าวไปทุกวันนะสะสมคุณงามความดีสร้างบารมีต่างๆไปทุกวันทุกวันเดินไปวันละเก้าสองเก้าก็พอแล้ว ไม่ต้องรีบจำจำจำจะไปให้ถึงเร็วเร็วเส้นทางสายนี้แปลกนะยิ่งวิ่งยิ่งไม่ทำนะเหมือนจะได้แล้วก็ไม่ได้ให้ใครอยเงานะยิ่งเราวิ่งเร็วมันก็วิ่งเร็วด้วยแต่ถ้าเราหยุดมันหยุดนะเมอมันหยุดเนี่เรามือสัมผัส ต, ต่อหน้าต่อตาเนี่นเมื่อไหร่จิตหยุดความปรุงแต่งแล้วเราก็จะสัมผัสนิพานต่อหน้าต่อตามั้งเลยไม่ต้องไปดิ้งหาเลยอยู่ที่หยุดให้ได้นะ ในทางสมถเะเขาก็เน้นที่การหยุดเหมือนกันให้ใจหยุดนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นสมถะเป็นสมถะธรรมฐานพวกเราเรียนจากหลวงพ่อมามากแล้วเรารู้การที่เราเอาจิตไปจ่อไว้ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องสงอบอยู่ตรงนั้นแั่นได้สมถะไม่ใช่วิปัสสนา ส่วนีปรัสนาเนี่ยให้เรารู้กายให้เรารู้ใจได้เราจะเห็นในร่างกายมันก็ทํางานไปเรื่อยๆจิตใจมันก็ทํางานของมันไปเรื่อยทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดเลยแล้วมันจะหยุดได้ยังไงมันไม่หยุดทํางานหรอกเพราะว่าขันมีหน้าที่ทํางานแต่ว่าพอเราเห็นขันทํางานเห็นกายเห็นใจทํางานแล้วเนี่ยเราหยุดความปลุงแต่งของเราเองได้ไหมขันน่าหยุดไม่ได้ขันก็ทําหน้าที่ของขันไป อย่างจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งจิตก็ต้องคิดนึกปรุงแต่งจิตของพระอรหันต์ก็คิดนึกปรุงแต่งแต่เมื่อจิตมันคิดนึกปรุงแต่งแล้วเราอย่าไปช่วยมันปรุงแต่งได้ไหมเรารู้แล้วเราจบตรงที่การรู้ได้ไหมรู้ด้วยความเป็นกลางได้ไหมการที่เราสามารถรู้ด้วยความเป็นกลางความเป็นกลางตัวนี้มีชื่อเพราะๆหรือชื่อภาษาแคนจะเพราะหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เรียกยากชื่อปัตธรรมะชัตตาตาเจตสิก มันก่อนมีนั่งอภิธรรมันหนึ่งมาบอกตอนนี้เข้าใจสภาวะของตัตธรรมชัตาตาเจตสิกลแล้วเราแอบดูแป๊บไม่เข้าใจหรอกแต่ไม่กล้าบอก <c oughs> อยังไม่กล้าบอกนะยังไม่คุ้นถ้าคนเก่าๆเราก็จะบอกไม่ใช่หรอกยังอีกไกลนะเจตสิกตัวนี้หมายถึงจิตมันเป็นกลางจริงๆจิตมันไม่ปรุงนะมันรู้เราจบลงที่รู้จริงๆนะเพราะว่าอะไรเพราะมีปัญญานะ มันไม่ใช่เป็นกลางเพราะสมาธิแต่มันเป็นกลางเพราะปัญญาเห็นความจริงว่าทุกสิ่งที่ผ่านมาเลื่อนผ่านไปทั้งสิน้นทุกสิ่งเกิดแล้วดับทั้งสิน้นมีปัญญาเห็นอย่างนี้ความสุขเกิดขึ้นก็รู้นี่ความสุขเกิดขึ้นแล้วก็ดับความสุขเป็นของชัว่วคราวความสุขเกิดขึ้นก็ไม่เห็นจะน่าดีใจเท่าไหร่เลยเดี๋ยวมันก็หลุดมือไปแล้ความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่เห็นจะต้องคขมขวนค ว, วความทุกข์อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวความทุกข์ก็ไป บางคนมาถามว่ากุ้มใจมากอกหักรักสลายนายด่านะทำยังไงจะหายกลุ่มไม่ต้องทำอะไรมันก็หายเพราะว่ากระทั่งความกลุวมใจเองก็ไม่เที่ยงแต่ว่าทำไมเรารู้สึกว่ามันไม่หายสักทีเพราะาเราอยากให้มันหายเร็วๆถ้าไม่มีความอยากนะเราเห็นความกลุวมใจผุดขึ้นมาเราก็รู้ไป พอหมดเหตุของมันมันก็ดับไปเองสิ่งทั้งหลายเกิดเกิดเหตุเหตุดับมันก็ดับไปมไม่ต้องทำอะไรใจเราเข้าสู่ความเป็นกลางเมื่อใจเราเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวเห็นว่าทุกอย่างเกิดมาแล้วก็ดับไปทุกอย่างเป็นของบังคับไม่ได้ทุกอย่างทนอยู่ในภาวะอันแดนหนึ่งไม่ได้นานหรอกนี่คือเห็นใจรักนั่นเอง เห็นใจรักจริงๆแล้วเนี่ยใจก็จะหยุดดิ้นใจเข้าถึงความเป็นกลางถามว่าจิตยังคิดนึกปรุงแต่งไหมจิตคิดนึกปรุงแต่งร่างกายยังเป็นสุขไหมร่างกายยังกระดุกกระดิกนะเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวกระหายเดี๋ยวปวดหรือปวดชี่อะไรไหมเป็นไปตามปกตินั่นเองจิตใจก็เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวไรนะเดี๋ยวคิดโน้นเดี๋ยวคิดนี้ เดี๋ยววิ่งไปที่ตาหูจมูกเล่นกายใ จ, ใจมันก็เป็นปกติของมันอยู่อย่างนั้นเองแต่ใจเรายอมรับความเป็นปกติยอมรับความเป็นธรรมดาของกายของใจได้ไม่ดินนะ้นละเห็นนี่ทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกทุกอย่างบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราหรอกใจมือนหมดความดินน้นรนจิตที่หมดความดิ้นรนเนี่ยมันจะเข้าไปสัมผัสกับความสุขอีกชนิดหนึ่งความสุขของความสงบ ความสงอบอย่างความปรุงแต่งนี่เรียกว่านิพพานสงอบอย่างโลกโลกก็ไม่ใช่นิพพานบางทีก็แปลนิพพานว่าเย็นอย่างไปหุงข้าวมาข้าวร้รอนๆตั้งไว้นานแล้วก็เย็นบอกว่านิพพาน <c oughs> มีนะบางคนข้าวไปหุงไปแล้วข้าวนี้นิพพานแล้วเย็นแล้วนิพพานอย่างนั้นก็ป่วยการนะ นิพพานที่ใจมันเข้าถึงความสงบเข้าถึงความเย็นเยมันเย็นจริงๆนะมันมีความสงบมีความสุขจริงๆแต่ถ้าอากาศหนาวมันจะอุ่นนะมันแปลก <c oughs> น่พพานนี่เป็นความอบอุ่นเป็นความพอดี น, นั่นะึองเะมีความพอดีในโลกนี้หาความพอดีไม่ได้มีแต่มากไปกับน้อยไปอย่างหลวงพ่อชาท่านเคยถามลูกศิษย์ท่านท่านยกไม้ตาท่านให้ดู บอกไม้เท้าอันนี้สั้นหรือยาวบางคนก็บอกมันสั้นไปบางคนก็ว่ามันยาวไปบอกไม้เท้ามันก็พอดีของมันอยู่แค่นี้แหละคนที่อยากได้ไม้ยาวมันก็ว่าอันนี้สั้นคนอยากได้ไม้สั้นมันว่าอันนี้ยาวเคือถ้าใจเราเข้าไปถึงความพอดีนะใจจะไม่ดิ่นอะไรมีความสุขมีความสงบอยู่ในตัวเองมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนเลยมีความสุขที่ไม่ยิงอาศัยสิ่งใดในโลก ไม่เวลาหลวงพ่อเทศแล้วหลวงพ่อเทศตั้งแต่เบื้องต้นจนจบทุกครั้งนะเวลาหลวงปู่ดนเทศเทศอย่างนี้ท่านบอกว่าเวลาฟังธรรมะมันต้องให้ได้ทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะได้ทุกอย่างเอาให้ครบเลยในเวลาสั้นๆให้เทศนาทีหนึ่งก็จบได้นะเทศสิบนาทีก็ได้ให้เทศหลายชั่วโมงไม่ได้ไม่มีแรงเทศแล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเทศยาว เนื้อแท้ของธรรมะเนี่ยถ้าเราจับแก่นมันได้แล้วมันนิดเดียวเนื้อพูดกันเป็นวันๆเนืน้อเปลือกมัน่ะลีลาสัมนวนโมหันแต่เนื้อในจริงๆมีนิดเดียวนิดเดียวก็ตรงที่ว่าเราจะเข้าถึงความเป็นกลางเพราะปัญญาได้ไหมเราจะเป็นกลางเพราะปัญญาได้ต้องเห็นความจริงซ้ําแล้วซ้ําอีกถ้าเห็นทีเดียวสองทีใจยังไม่ยอมรับหรอกใจอยากจะฝืนความจริง อย่างใจจะเห็นความฟุ้งซ่านไม่ชอบอยากสงบได้ความสงบมาแล้วอยากสงบถาวรอยากอยากในสิ่งซึ่งไม่มีคืออยากในสิ่งที่ถาวรสิ่งที่ถาวรในโลกไม่มีหรอกมีแต่ของชั่วคราวทั้งหมดเลยถ้าไปอยากอ ย, ากอย่างไรเตียงสาก็ต้องทุกข์ไปเรื่อยๆอยากอยากให้แฟนเรารักเราจีจาเหมือนเดิมตลอดเป็นไปไม่ได้เราเองก็จะไม่ต้องการอย่างนั้นสมมติสาวสาวนะ เป็นแฟนใหม่ๆแต่งงานใหม่ๆนะโอ้อยากให้ผู้ชายจี๋จ๋าตลอดใช่ไหมต้องมาเอาใจเราทุกวันอย่างนี้ถึงจะดีลองแต่งไปสามสิบปีหรือผู้ชายมาจี๋จ๋าลำคาญนะลองถามพวกพี่แต่งงานนานๆมาคอยวุ่นวายกับเราทุกวันเนะันจะแต่งผมจะแต่งตัวจะอะไรนี่ยุ่งกับเราทุกวันมันน่าเบื่อเหมือนกันในโลกไม่มีอะไรคงที่นะกระทังใจของเราเอง วัน <ith> หนึ่งเราก็ต้องการสิ่งนี้วัน ห, หนึ่งเราต้องการอีกอย่างหนึ่งใจเราไม่คงที่ใจคนอื่นก็ไม่คงที่ในท้ำกลางความไม่คงที่ในรุวนใจหาสาระแก่นสารไม่ได้นี่พระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่มีสาระแก่นสารท่านบอกท่านสอนสิ่งที่มีประโยชน์สอนให้เราแยกได้ว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์นอกจะมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แล้วอะไรสมควรแก่เรา อะไรไม่สมควรแก่เราของมีประโยชน์บางอย่างก็ไม่สมควรแก่เราอยกตัวอย่างอย่างท่านบอกว่าสมถธาริปัสสนานีม่มีประโยชน์แต่บางคนมันทําสมาธิไม่ได้ทําสมาธิไม่ได้นะไม่สมควรแก่เราเะฉะนั้นเสจะภาวนาพอจะลงมือภาวนาอุ้ยฉันจะต้องนั่งสมาธิให้ได้ซะ ก, ก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องดีที่จิตจะสงบซก่อนแล้วจเจริญปัญญาทีหลังมันดีจริงมันมีประโยชน์จริงจะทําไม่ได้ นี่ไม่ใช่ของที่สมควรกับเราแนละ้วเกินฐานะเราก็ต้องเลือกกรรมาฐานที่พอเหมาะพอควรกับฐานะตัวเองวันๆหนึ่งหาเวลาสงบไม่ได้เลยจะไปทำให้มันสงบทำไมเสียเวลาเรียนรู้ความไม่สงบไปเถอะถ้าเรารู้ทันความไม่สงบไปแล้วมันจะสงบของมันเองแค่เรามีสติขึ้นมาเราเห็นว่าจิตฟุ้งซ่านจิตก็สงบของมันเองนะนี่ใช้ปัญญานาสมาธิ คนไหนมีโอกาสมีเวลามากๆใช้สมาธินําปัญญาได้ก็นําไปเพราะมันดีทั้งนั้นแหละทั้งสมาธิทั้งปัญญามีประโยชน์ทั้งคู่เวลาที่ใครคนใดคนหนึ่งบรรลุมรรคผลนิพพานก็บรรลุด้วยสมาธิและปัญญาทุกคนไม่ใช่บรรลุด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังนั้นเวลาบรรลุข้าราหันเนี่ยในทัศน์ใจิดกทรับใช้สํานวนว่าบรรลุในข้ารหันาหาเนี่ยด้วยปัญญาวิมุตติและเจโตวิมุตติอันนําเริ่มกลับ ไม่กำลริบกลับไม่เสื่อมถอยแนละ้วไม่กลับไป ฟ, ฟุงนะ้งแล้วเนี่ยเวลาบรรลุก็บรรู้สองอันแต่ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องทำได้ทั้งคู่คนไหนทาสมถะได้ทำไปทาสมถะแล้วอย่าติดอยู่ในความสงบนะเสียเวลาให้ออกมารู้กายมารู้ใจไว้คนไหนทำสมถะไม่ได้ก็ไม่ต้องคร่ำครวญชาตินี้คงไม่มีหวังได้มผลนิพาน อย่าไปข้ามครวนนะ<ม>เสียเวลาหลวงพ่อเห็นพวกทำสมาธิเยอะทำสมาธาเยอะไม่บรรลุมรรคผลนิพพานเยอะไปไม่บรรลุอะไรเลยนอกจากจะไปปรมมโลกหรือถ้าสมาธิเสื่อมไปก็อารมณ์ร้ายกิเลสรุนแรงกว่าชาวบ้านธรรมดาอีกนี่ไม่จําเป็นเสมอไปเราก็ทําเท่าที่เราทําได้อันไหนสมควรกับเราเราก็ทํามันนั้นค่อยๆเเดียนนะค่อยๆนะสังเกตตัวเอง เส้นทางเดินของการปฏิบัตินะมีหลายสายสองสายหลักๆคือทําสมาธิก่อนแล้วเจริญปัญญาหรือเจริญปัญญาแล้วทำสมาธิมีสายพิเศษอีกสายหนึ่งสำหรับคนพิเศษคือทําทั้งสมาธิและปัญญาจเจริญปัญญาไปด้วยกันทำได้นะสำหรับคนพิเศษคนพิเศษชนิดนี้ก็คือคนซึ่งดูจิต ด, ดูใจชำนิชนาญเะั้นเวลาที่เรา เข้าถึงอัปปนาสมาธิทรงอยู่ในอัปปนาสมาธิที่มีสติระลึกรูรร้องค์ธรรมของสมาธิในขณะนั้นเห็นความเปลี่ยนแปลงขององค์ธรรมนั้นได้จะเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงกระเพื่อมไหวอยู่ภายในเห็นความเกิดดับยิบยับยิบยับซึ่งไม่มีภาษามนุษย์เรียกว่าคืออะไรไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรเห็นแต่สภาวะเกิดดับเกิดดับอยู่ในสมาธิทําได้ทําได้ถ้าดูจิตชำ น, นิชำ น, นานแล้ว ไม่ใช่การคิดแต่ถ้าการคิดคิดพิจารณาปั๊บเนี่ยตกออกอย่ากสมาธิเลยเส้นทางเดินมีทั้งเยอะแยะเลือกเส้นทางที่เราเดินได้ไม่ใช่เลือกเส้นทางที่อาจารย์ของเราเดินเลือกเส้นทางที่เราเดินได้หลายคนเลือกเส้นทางของอาจารย์หรือเลือกเส้นทางตามเพื่อนเขาเข้าวัดนี้ก็เข้าเขาเข้าคอร์สสิ่งนี้ก็เข้าเขาไปเดินจงกลม ยกเท้าอย่างเท้าแล้วก็ดีเราก็ต้องไปยกอย่างเขาบ้างเลยมันก็ไม่จําเป็นนะเดินสวยถ้าเดินสวยแล้วบรรลุพวกโยธวาทิตบรรลุ ก, ก่อนเพื่อนเลยนะ <c oughs> ไม่จําเป็นหรือบางคนก็ต้องนั่งหลับตาภาวนาถ้าหลับตาแล้วภาวนาแล้วบรรลุเร็วนะคนตาบอดก็บรรลุ ก, ก่อนหรือถ้าไม่ต้องฟังอะไรเลยแล้วบรรลุเร็วคนหูหนวกก็บรรลุ ก, ก่อนจริงจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้น การภาวนาเนี่ยนะเปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันทำงานไปเวลาที่เราภาวนาโดยใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเราคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจอันนี้เป็นการปฏิบัติทำในชีวิตประจําวันแต่บางขณะบางเวลาที่เราปฏิบัติในรูปแบบโดยเฉพาะการนั่งสมาธิภาวนาเราตัดการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายออกเหลือแต่ใจอันเดียว เราดูการกระทบทางใจเดี๋ยวใจมันก็คิดน้อนคิดนี่เดี๋ยวใจมันจุงน้อนตรงนี่นี่ก็ทำวิปัสสนาได้เพราะฉนั้นเราต้องทำให้เป็นนะถึงเวลานั่งสมาธิเราก็นั่งเป็นดูได้ช่วงไหนจิตฟุ้งซ่านก็ดูให้สงบช่วงไหนสงบแล้วก็ดูให้เกิดปัญญาทำได้หมดเวลาที่จะนั่งปฏิบัติตามรูปแบบอย่างนี้แล้วใช้ชีวิตประจาวันเนี่ย ยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวตลอดวันรู้กายรู้ใจทั้งวันเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ปั๊บปั๊กระทบไปแล้วเนี่ยใจก็เพิ่มขึ้นมาก็เพิ่มขึ้นมาสังเกตไหมเมื่อกี้หลวงพออ่อแก้มพูดตับต๊บปบปับ๊รู้สึกไหมใจกระเทือนถ้าดูทันนะก็จะเห็นว่าใจนี่กระเทือนตามจังหวะถ้าดูเป็นนะกระทั่งกระพริบตาใจยังกระเทือนเลยทําอะไรนิดหนึ่งใจก็กระเถือนขึ้นใจนั่นเป็นของบอบบางกระเทือนง่าย เตือนง่ายแล้วก็ไม่ได้ภาวนาให้หมันนิง่งไม่ใช่ภาวนาไม่ให้กระเตือนแต่กระเตือนแล้วเราก็รู้ไปเรืเอยเวลาฝึกให้ได้ในชีวิตประจำวันใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปหรือเวลากลางคืนไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเราตัดการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายออกเหลือแต่ความรู้ทางใจอันเดียวบางคนไม่เอาไหนเลย พอถึงเวลานั่งสมาธิก็ตัดความรับรู้ทางใจออกไปด้วยคือหลับไปเลย <c oughs> อย่างนั้นไม่ได้เรื่องนะนะอย่างน้อยมันต้องมีการรับรู้อยู่ถ้าไม่รับรู้ทางหกถาวรก็ต้องรับรู้ทางถาวรใจอันเดียวอย่าไปรับรู้ทวาวรตาอันเดียวนะบางคนฝึกกรรมฐานไปรับรู้ถาวรตาอันเดียวมีเหมือนกันพตากระทบรูปนี่นะกําหนดอยู่ที่ตาตลอดเลย กำหนดอยู่ที่จักรปูประสาทตบ้างกำหนดอยู่ที่รูปที่ตาไปเห็นบ้างกำหนดอยู่ที่การกระทบอารมณ์ทางตาบ้างหรือกำหนดอยู่ที่จิตที่รู้อารมณ์ทางตาบ้างนี่กำหนดได้ตั้งสี่แบบเนี่ยอะไรเกิดขึ้นใจก็นิ่งๆก็นิ่งอยู่งั้นเองบางคนนั่นึกว่าเป็นพระอรหันต์นะเพราะว่าใจไม่เคยกระเพื่อมเลยที่ใจไม่เคยกระเพื่อมเพราะปเพ่งไว้ตั้งแต่ต้นทางอะเพ่งตั้งแต่ตอนกระทบอารมณ์ เราไปเพ่งมันก็นิ่งไม่กระเทือนกระทบแล้วไม่กระเทือนก็ว่าเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่แจะกระทบแล้วกระเทือนขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ยึดถือมันเลยถึงจะใช่นะแต่ถามว่าสิ่งที่กระเทือนนั้นเป็นอะไรกระเทือนขันกระเทือนจิตที่เป็นธรรมแท้ไม่ได้กระเทือนด้วยเลยไม่มีความเคลื่อนไหวภายในสักนิดเดียวก็ไม่มีโลปู ด, ดูนท่านบอกว่าภายนอกนี่ว่างเปล่าไม่มีรูปลักษ ภายในเหมือนค่อนไม้และก้อนหินไม่มีความกระเพิ่อมไหวจิตที่เรียกว่าจิตหนึ่งแล้วก็ท่านก็บอกไม่มีข้างนอกข้างในด้วยที่บอกว่าภายในภายนอกนี่พูดโดยโวหารสิ่งก็คือจิตไม่ปรุงแต่งอะไรแล้วจิตสักว่ารู้สักว่าเห็นสักว่าคิดนึกไปจิตชนิดนี้นจะมีความสุขมากอะเดี๋ยวตรวจกันบ้านหนยหมูนี้หลวงพ่อเทศอะไรกูไม่รู อาเชิญคุณมาลีไหนๆก็มาอยู่แล้วขอากาศหลวก็เจ้าค่ะวันนี้ก็สิ้นปีปิดบัญชีชีวิตที่ผ่านมาเจ้าค่ะเ mm hmm. มื่อเช้านั่งรถมาก็ทบทวนการภาวนาของตัวเองในปีนี้ทั้งปีก็รู้ว่ากายเราเองก็เปลี่ยนไปใจก็เปลี่ยนไปมากเลยเจ้าค่ะเมื mm ่อ hmm. ก่อนที่ภาวนาเนี่ยจะมีความรู้สึก อีหลักอีเหลือตลอดเวลาในชีวิตว่าการภาวนาเนี่ยกับการกับโลกเนี่ยมันมันเหมือนน้ำกับน้ำมันเจ้าค่ะมันมันไม่สามารถอยู่ได้กันได้หลังจากที่ได้เรียนรู้ธรรมะจากหลวงพ่อแล้วเนี่ยถึงรู้ว่าอ๋อเราอยู่กับโลกได้อย่างอาจฐานเราอยู่กับมันได้เลยที่ว่าเราเห็นทุกแต่มันก็สุขจ้าค่ะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้สึกว่า หลวงพ่อเนี่ยได้กรุณาเมตตาชี้ทางสสยสว่างของธรรมะมาตลอดให้ใจเราเนี่ยได้เปลี่ยนไปอ่ะอธิบูชาทั้งปวงเนี่ยได้น้อมถวายทำหลวงพ่อมาแล้วแล้วก็ตั้งใจที่จะทำในอนาคตเนี่ยยังไม่เข้ากับเศษเชียวที่ตัวเองปั้ใจที่จะปฏิบัติบูชาน้อมถวายเป็นพระณเจชาค่ะดีนะ หลวงพ่อได้ยินคําว่าปฏิบัติบูชาเนี่ยนะจะมีปีติมีปีตินี่หล่อเลี้ยงทําให้อายุยืนนะ <c oughs> ถ้าคนเอาอามิสบูชามาให้มากมายนะอายุสั้นนะยกตัวอย่างอย่างหลวงพ่อเกิด <c oughs> โวยามาเต็มบ้านเลยแล้วทุกคนเจะต้องเรียกร้องให้ฉันนี่ยานี่พิเศษที่สุดนี่ยาจีนยาไทยยาฝรั่งยาแขกนี่ยาผีบอกนี่ยาเทวดา ถ้าต้องฉันอามิตรบูชาอย่างนี้นะ่าต้องตายเลยแล้วตายแล้วไม่เน่าเปื่อยเชื้อโร ก, กินเราไม่ลงแล้ว <c oughs> <c oughs> นั้นพยายามปฏิบัติบูบชานะคนยากดีมีจนเลยมาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยเสมอภากกันหลวงพ้าไม่ใช่ ว, ว่าคนนี้รวยโอเป็นพิเศษไม่ใช่ะทุกคนเรียนตามกําลังของตัวเองได้ผลประโยชน์ไปเท่าที่ตัวเองจะรับได้ เวลาให้นี่ให้แบบเทกระเป๋าให้นะให้แบบไม่ได้ซ่อนเล้นปิดบงังแหมขยับวิทยายุทธเอาไว้อันหนึ่งเอาไว้ปราบลูกศิษยธรยศไม่ใช่ในขณะชีวิตในขณะนี้ที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาใ จ, จแจ่มแจ้งแล้วเจ้าภาวะสามารถที่จะยึดประพุทธประทประสงเป็นสารณะได้อย่างแท้จริงเจ้าค่ะดีแล้ววดีแล้ว เราศึกษาธรรมะก็เพื่อเราจะได้มีที่พึ่งที่พึ่งที่ฝากเป็นฝากตายได้จริงๆเนไม่ใช่ลูกไม่ใช่ครอบครัวไม่ใช่อะไรหรอกคือธรรมะที่อยู่กับใจเราถ้าธรรมะเข้ามาสู่ใจเราแล้วต่อให้โลกแตกไปต่อหน้าต่อตาเราก็อยู่ได้โลกนี้เต็มไปด้วยความทุกขนะ์เสียงร้องไห้ระหงอยอยู่ตลอดเวลาภาพปวดอิ่มหัวแต่งเงี่ยหูฟังภาพปวดอิ่มนี่ผ่านไม่ได้นะเพโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ แต่ใจซึ่งรู้แจ้งโลกเนี่ยจะไม่ทุกข์นี่เป็นเรื่องแปลกนะคนที่หนีทุกข์นะยิ่งเจอความทุกข์คนที่เรียนรู้ทุกข์นะกลับพ้นทุกข์นั้นธรรมะของพระพุอธู้จ้านี่อัศจรรย์มากศึกษานะ้วเราจะพ้นทุกข์เป็นลำดับลาดับไปหลวงพ่อเองไม่ได้สนใจใครจะเอาอามิรบูชามาให้ไม่ให้นะอของส่วนเกินส่วนอะไรนีส่งไปที่ส่งไปช่วย วัดทางอีสานเลยเนะี่ยไม่มีกินมีใช้แล้วก็อยู่เท่าที่พอจะอยู่เท่านั้นเองสิ่งที่ทําทุกวันนี้แนละ้วบอกตรงๆว่าเหนื่อยจริงๆวันตอนเลิกสอนแล้วไม่ใช่หลวงพ่อไปนอนนะเลิกสอนแล้วหลวงพ่อก็ต้องไปนั่งเขียนหนังสืออีกบางทีก็ไปนั่งตัดต่อซีดีอนะไรเงี้ยมีงานทําทํำเรื่อยๆกะทําไม่ให้ ลูกหลานทั้งหลายรุ่นหลังๆนะั้นนี่เราทําไปเพื่ออะไรใ น, ในใจบางทีโอ้เหนื่อยจังเลยทําไปเพื่อแทนคุณของครูบาอาจารย์แทนคุณของพระพุทธเจ้าเวลาที่หลวงพ่อไปเรียนธรรมะจากครูบาอาจารย์หลวงพ่อไปแบบจนๆนะเพราะจริงๆจนๆเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการผู้น้อยนะเก็บเงินไว้เก็บเงินไว้พอถึงเวลาก็ไปหาครูบาอาจารย์ ไม่ไปเที่ยวที่อื่นหรอกไปก็ไม่มีอะไรไปให้ท่านเท่าไหร่หรอกมีนี้นิดๆหน่อยๆแต่เวลาครูบาอาจารย์สั่งสอนเรานี่นะโอ้โหท่านประพุทธงค์องค์งดมากเลยดูแลอย่างดีอย่างพิเศษอย่างไปหาหลวงปู่เทศเนี่ยหลวงปู่เทศเนี่ยคุณหญิงคุณนายเข้าไปเต็มวัดนะแล้วก็แต่ละคนบางคนมาอยู่วัดนะั้นเอาตู้เย็นมาด้วย <c oughs> ไม่งั้นกระจอกนะ มาว่ัดก็ผลตู้เย็นมีนั่งรถเก๋งมาหนึ่งคันพิกอัพตามมาอีกคันคนใช้ตามมาีสองสามคนอะไรอย่างเนี้โอทุกอย่างนี่นะเนี้ยหมดเลยอาหารที่จะไปถวายหลวงปู่ต้องใส่ชามคริสตัลชามสังกสีไม่ไดนะ้อะไรทุกอย่างเนี้ยหมดเลยเข้าไปหาท่านนะท่านก็ออรับรับนะให้พรไปอย่างเราไปหาท่าน ฟ้าที่อยู่คาถาจะให้นั่งซ่อนอยู่ข้างหลังก่อนนั่งอยู่ข้างๆหลวงปู่พอคนมาทําบุญเสร็จปุ๊บอ้าวเชิญหลวงปู่จะพักผ่อนแล้วกราบกราบออกไปหมดไปหมดรีบปิดประตูเลยสนทานาธรรมะสอนธรรมะเราเ ท, ทั้งที่เราไม่มีอะไรเลยไม่ได้ทําอะไรให้ท่านนะท่านก็พากเปลี่ยนอยู่นั้นบางคราวไป ตอนนั้นกุฏิเก่าท่านยังไม่ลื้อท่านสร้างบนดบเสร็จแล้วท่านย้ายอยู่บนดบไปถึงท่านให้ไปอยู่ที่กุฏิเก่าท่านกับบนดบเนี่ยมองเห็นกันใกล้ๆกันเราเกร็งเลยนะกลางคืนเราก็เดินทางมาทั้งวันแล้วนะเดินทางนั่งรถทัวร์แบบกลางคืนทลางวันก็ไม่ได้พักเลยกลางคืนเหนื่อยจะนอนโอ้หลวงปู่ยังไม่นอนเลยหลวงปู่เดินจมกลมนะเราก็แย่แล้วนะก็นั่ง ยังเยันเดินอยู่โอ้ยเดินปเปย็นดึกนะสี่ทุ่มห้าทุ่มอะไรเงี้ยตึกเสร็จแล้วท่านพักละดีใจเดี๋ยวแล้วนอนหน่อยนอนตีหนึ่งกว่ากลางลืมตามเดินอีกแล้วเดินเดินอยู่ตะคุ่มตะคุ่มมืดมืดมือนดบเห็นแสงจันทร์เข้ามาตะคุ่มตะคุ่มนั่งดูท่านเดินไม่กล้านอนเสร็จแล้วก็ใจมันสงสัย แม่หลวงปูนี่เดินจงกรมแบบไหนเนี่ยเวลาเดินจงกรมเนี่ยมือควรจะไว้ตรงนี้หรือมือควรจะไว้อย่างนี้ดี <c oughs> นึกนะหลวงปู่ <c oughs> อ๋อเข้าใจละพ่อแม่สอนให้เดินท่าไหนก็เดินเป็นท่านั้นแหละนะมันเดินเนื่องาจมีสติต่างหากไม่ใช่อยู่ที่ท่าทาง เด็กู้บาอาจารย์นะโอ้สอนหรือไปหาหลวงปู่ดูลนะไปแบบยากจนเหมือนกันแต่หลวงปู่ดูลท่านก็จนเหมือนกันแหละ <c oughs> ไม่ค่อยมีอะไรหรอกไปหาท่านท่านสอนสอนเรานะสอนยังหอบเลยสอนจนเหนื่อยสอนจนหอบก่อนท่านมารณะภาพสามสิบหกวันนะสอนอยู่จนค่ําเลยทุ่มกว่ากว่าท่านหอบสอนมนาะได้เลยเย็น บอกท่านแบบหลวงปู่ผมได้กลับแล้วเวลาแล้วหลวงปู่เหนื่อยเต็มทีแล้วจะตับเหรอยังกลับไม่ได้จําไว้นะพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจิงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่จะจํำไหมเออจำไว้นะไปไปได้แล้วมีความเมตตาที่ครูบาอาจารย์ให้นะมันลึกซึ้งเราไปแบบไม่ได้มีอะไรให้ท่านท่านให้เราตลอด ท่านไม่เคยเรียกอะไรเลยงั้นครูบาอาจารย์แท้ๆนี่ยจะไม่เรียกไม่เรียกอะไรหรอกไม่เคยเจอเลยนะมีแต่ให้มีอะไรท่านก็ให้มีธรรมะก็ให้นะมีของก็ให้อย่างวันนี้หลวงพ่อก็จะมีพระให้ด้วย <c oughs> <c oughs> คนเอาของมาให้นะชอบให้ต่อะได้เวลาทานข้าว